ข้อความในปาสราสิสูตรต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่8ดพระองค์เนี่ยไม่น้อมไปเพื่อที่จะแสดงธรรมคือพระทัยของพระองค์นั้นไม่น้อมไปเพื่อที่จะประกาศอริยสัจธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะทีนี้เขามีคําถามขึ้นมาว่า เพราะเหตุไรจิตของพระพุทธเจ้าจึงน้อมไปอย่างนี้ทําไมพระองค์ไม่ไ ม, ไม่ประสงค์จะเทศนาความปรารถนาครั้งแรกเนี่ยนะหรือก่อนที่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะมโนปนิทานการตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเป็นปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ตั้งใจไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าเรา ข้ามพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามพ้นด้วย <Gym. S 1> เราตรัสรู้แล้ว <front> จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู <yesterday> ้อ like ื่นปริน no ิพานด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยหรือจะฝึกผู้อื่นด้วยทําไมพอตรัสรู้บอกว่าไม่น้อมเพื่อจะฝึกเหมือนอย่างว่าถ้ามิเลนที่มัญหาบอกว่านักมวยที่ซ้อมมาเป็นอย่างดีพอถึงวันชกยกอะไรว่ายกมือใช่เลยเนี่ยนะมันก็ยอมแพ้เลยไม่เอาแล้วเลิกแล้ว หรือว่าแบบนักรบผู้แกล้งกลแกล้กลกลกลานฝึกมาเป็นอย่างดีพอมีสงครามเข้ามาประชิดแบบเข้ามุ้งนอนหนึ่วันเนี่ยนะมันคล้ายๆเป็นแบบนี้อะ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่าทางที่ก็ก็น่าคิดนะเออทาไมพระองค์เป็นอย่างงี้ใช่ไหมตั้งความปรารถนาสร้างบุญทําทุกอย่างเนี่ยนะแม้กระทั่งไม่รักแม้กระทั่งในทรัพย์ที่มีอยู่ไม่รักในอวัยวะบุตรภรยาเป็นต้นทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ สัพพัญยุตยาณเพื่อที่จะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบอกแล้วบอกว่าพระองค์ว่าไงนะธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบประณีต ย, ยังไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้เฉพาะแต่บัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นอกนี้สิเนี่ยนะคนอื่นในยุคนั้นหรือสัพพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะ เป็นผู้ยินดีในเพลิดเพลินในอะไรพอใจในอะไรทั้งในกรรมคุณหา้าพอใจทั้งในตัณหาเพรันเขาเนี่ยยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทนะที่ปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้เช่นชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยยากที่เขาจะเข้าใจและยากที่จะเห็นพระนิพพานที่สงบระงับสังขาร พระนิพพานที่สลัดอุปธิทั้งปวงพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตันหาพระนิพพานเป็นที่สำรอกตันหาเป็นธรรมที่ดับปราฆาเป็นต้นพระนิพพานที่ตัดตันหาที่นำจากพบไปสู่พบนำจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งนะขณะเดียวกันเนี่ยที่พระองค์ทอ้อเหมือนเหมือนรู้สึกว่าท้อว่าถ้าหากว่าเราแสดงธรรมที่ยากลึกซึ้งอย่างนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจล่ะคนอื่นก็ไม่รู้ทั่วถึง คือฟังแล้วไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องจะบรรลุได้ยังไงเมื่อใบบรรลุคนสอนก็เหนื่อยเปล่าีครว่าเหนื่อยเปล่าเนี่ยนะเสียเวลาเปล่าทั้งสองฝ่ายเขาเองก็ต้องเสียเวลามานั่งฟังเราเองก็ต้องเสียเวลาพูดก็เลยก็เลยมีความคิดผูกเป็นคาถาประพันธ์ที่น่าอัศจรรย์เล็กน้อยว่าบัดนี้เราไม่ควรประกาศสัจธรรมที่เราได้บรรลุได้โดยยากนะกว่าจะสร้างบารมีจนได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าขนาดนั้นยังได้โดยยากเหลือเกินธรรมนี้ผู้มีราคะโทสะโมหะหนาแ น, น่นตรัสรู้ได้ไม่ง่ายเลยเพราะผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองอวิชชาเนี่ยบกปิดหุ้มหอ่อคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทำที่ควรละมีสองอย่างคืออวิชชากับภวะตันหาทีนี้สัตว์ทั้งหลายเจริญอวิชชากับเจริญภวะตันหาถือเอาอาวิชชาเป็นข้อปฏิบัติถือเอาภาวะตันหาเป็นข้อปฏิบัติอริยศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอน เป็นธรรมเพื่อกำจัดตัณหาเพื่อกำจัดอวิชชาเนี่ยมันทวนกระแสกันเพราะนั้นเขายากที่จะได้เห็นอริยสัจที่ทวนกระแสที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นอนุเห็นตามได้ยากน่าคิดนะโอ้ยตั้งความปรารถนามาซะยิ่งใหญ่สร้างบารมีมาจนพอบอกว่าพอถึงแค่ว่าวันหลังจากตรัสรู้กลับไม่เอาละและขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านยกคถาในสุเมศบัณฑิตหรือในคมภีพุทธวงว่า เราเนี่ยนะจักตรัสรู้ด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักแล้วทําให้แจ้งอรหัตตผลในศาสนาศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราตอนนั้นเนี่ยนะพ อ, อะท่านสุเมศบัณฑิตใช่ไหมพอท่านนอนลงในเปลือกตมมองเห็นพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าถ้าท่านปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านจะบรรลุแวบเดียวนี่แหละและจะเป็นอรหันต์สังฆนาวกะติดตามพระพุทธเจ้าออกไป เนี่ยนะพายเราว่าแสด็ฟังธรรมไม่เกินสาบรรทัดเนี่ยจะบรรลุแล้วไม่เกินจริงๆอง่ะสบรรทัดครึ่งนี้ก็เห็นอริยสัจตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ละแต่บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรที่ที่บรรลุเป็นสังฆนวกะเดินห้อยคนอื่นไปโดยที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะเพราะเราบรรลุสัพพัญญุตยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากโอกะสงสารด้วยเนี่ยนะ ดังนี้แล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคำตอบบอกว่าใช่ที่พูดมาทั้งหมดนี่ถูกต้องเลยว่าจริงอ่ะนะพระองคิดด้วยคิดด้วยใจเปล่งด้วยวาจากระทำด้วยกายทำทั้งหมดตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าพอหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่น้อมไปเพื่อจะสอน ที่เป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าจิตของพระองค์น้อมไปอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งปัจเจเวคขณะยานแปลว่าด้วยปัญญาที่พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้ถวนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะก็พระองค์นั้นบรรลุพระสัพพัญยุตยานพิจารณาถึงความที่สัตว์เนี่ยถูกกิเลสยึดหรือสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสคิดง่ายๆเหมือนว่าเราจะไปชวนผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยนะ ไปทำบุญหรือจะไปชวนผู้ชายสักคนหนึ่งไปบวชเนี่ยซึ่งภริยาเขาห่วงจริงๆเลยนะเหมือนแก้วตาดวงใจนะ่ะไม่ยอมจากกันแม้แต่ก้าวเดียวเสร็จแล้วเราไปชวนเขาบวชเนี่ยจะสำเร็จไหมวาพูดยังไงก็พูดเถอะไม่ยังไงก็ไม่ไม่สำเร็จอ่ะนะยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไรแล้วอีอย่างหนึ่งเขาก็ผูกพันกันเต็มที่ชวนบวชยังไง ชั้นใดก็ดีนี่เขาติดในวะตะัตฏะหนักกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยนะแล้วก็ชวนให้เขาออกจากวะตะัตฏะไม่ง่ายเลยธรรมะที่พ ร, ระองคปรัสรูเนี่ยแสนที่จะลึกซึง้งเนี่ยเพราะอะไรทุกเนี่ยไอ้กะทุกเนี่ยตัวมันเองไม่ได้ลึกซึ้งหรอกชรามรณะไม่ลึกซึง้งแต่ปัญญาที่ไปกําหนดรอบรู้ชาติชรามรณะมนสิการโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นปฏิจจสมุปบาทอันนั้นมันยาก ความาปัญญาที่จะไปกําหนดรอบรู้กองทุกเนี่ยมันจเจริญยากไอ้ตัวทุกมันไม่ยากหรอกมันหยาบเจ็บปวดอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งทุกทั้งเดือดทั้งร้อนเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้แหละทุกแต่ว่าปัญญาที่ไปกําหนดรอบรู้กองทุกเนี่ยมันยากกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะก็ละได้ยากเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ควรละศาสตรทั้งหลายเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรจเจริญมันก็เป็นความเห็นที่ตรงกันข้าม แล้วก็นิโรธมักเนี่ยนะนิโรสัจจะเนี่ยคนที่จะคิดเรื่องพระ น, นิพพานได้เรียกว่าเปรียบเหมือนคนที่เอาเท้าเหยียบลงไปในเอเวจีนรกเอื้อมมือไปหยิบภาวะ ก, กับพรมเรียกว่าต้องคิดเรื่องว่าโลกในภูมิสามเข้าใจรู้จักโลกในภูมิสามแล้วนําออกจากโลกที่เป็นไปในภูมิสามต้องต้องคิดได้ในลักษณะนี้จึงจะปรัสรู้ได้เองเพราะนีนน่กิเลสก็ ติดแน่นมากแล้วที่สําคัญอริยมรรคที่เขาจะเจริญเนี่ยนะที่เขาเจริญกายะคตาสติเจริญสมถะวิปัสนาเจริญสมาธิสาเจริญสติปทาน4ี่สัมมาปทาน4เจริญอิทิบาสสีเจริญอินทรี่ห้เจริญพละหเจริญอนุสติ6เจริญโพชฌงเจ็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดหรือเจริญโยนิโสมนัสิการเป็นมูล9หรือเจริญคุณธรรมคือกสินสิเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ยากที่เขาจะให้เขาเจริญได้อะ อันนี้ก็ด้วยอนุภาพของปัจเจกขณะยานที่เห็นความรกชัดของสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสองเห็นความลึกซึ้งของอริยสัจธรรมพระองค์ก็เลยคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นเย็นเช่นนั้นเนี่ยพระองค์คิดว่าสัตว์เหล่านี้เพียบแปรหนักเรียกว่าถ้าเป็นรถก็รถบรรทุกหนักมากเลยนะ บรรทุกอะไรบรรทุกราคะที่หนักมากบรรทุกโทสะที่หนักมากบรรทุกโมหะที่หนักมากหน้า448บอกว่าสกิเลสสัตว์เหล่านี้เพียบหนักแป้ไปด้วยกิเลเสเศร้าหมองเหลือเกินอานาจายกรรมก็เป็นทุจริตคําพูดแต่และคําก็ยากที่จะสุจริญมโนกรรมความคิดแต่เป็นจิตที่เป็นอกุศลทั้งหลายกําหนัดเพราะราคะโกรธ ด, ด้วยอํานาจของโทสะ ลุ่มหลงเพราะอำนาจของโมหะเปร ok ียบเหมือนน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยข้าวอนน้ำเต้าเต็มไปด้วยข้าวฟังเข้าใจยากเคยทานข้าวหลามไหมอย่างนั้นนะคือเม็ดข้าวที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามอ่ะมันเต็มอัดเพียบอย่างนั้นแหละกิเลสมันอัดแน่นไว้อย่างนั้นหละน่นนะมันกระจุกอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนตุ่มที่เต็มไปด้วยเปรียงมาอ่างั้นตุ่มเต็มไปด้วยเปรียงก็คืออะไรก็เหมือนน้าที่เต็มไปด้วยโองเนี่ยนะราคะพร้อมที่จะทะลักออกมาโทสะพร้อมที่จะทะลักออกมาโมหะก็ ท่วมทนเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนผ้าเก่าชุ่มด้วยน้ํามันเนี่ยผ้าเก่าที่ผ้าเน่ยกว่าเนื้อมันยุ่ยยุ่ยเปื่อยๆพอสมควรเลยไหมล้วไปชุบน้ํามันเข้าน้ํามันเนี่ยเข้าซึมซาบทุกใยของเส้นได้เนี่ยนะถามว่าจะเอามาซักเอามาฟอกให้มันเป็นสีขาวทํายากไหมบอกว่ยากหรือเหมือนมือที่เปื้อนยาหยดตาฉะนั้นยาหยดตาโบราณเนี่ยมันแบบมันแบบมันติดหนับเลยอะ ไม่รู้ยาแบบไหนไม่ทราบแต่ว่ายาเป็นชนิดที่เรียกว่าเปื้อนมือปั๊บเนี่ยยากที่จะล้างออกแต่แบบนี้ถ้าธรรมดาก็เหมือนก็เอามือไปจับน้ำมันเครื่องครับที่ไม่มีน้ํายาล้างมือเนี่ยนะโอไม่รู้จะเอาอะไรล้างเนี่ยนะเพรา ะ, ะ น, นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเต็มหมกมุ่นอยู่ด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เขาจักตรัสรู้อริยสัตว์ตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกําหนดรู้อย่างไรตรัสรู้สมุทัยด้วยการ ละได้อย่างไงตรัสรู้นิโรธ ด, ด้วยการทำให้แจ้งได้อย่างไรตรัสรู้อริยมรดุด้วยการเจริญได้อย่างไรพอคิดอย่างนี้นะเราก็ทำให้นึกถึงว่าผู้ที่เขาศึกษาธรรมะเนี่ยนะโดยที่ยังอ่านพระไตรปิฎกฟังคำสอนในพระไตรปิฎกไม่มากสิ่งที่เขาห่วยหามากที่สุดเลยก็คือการปฏิบัตินี่นะนมาขอกมฐ า, านขอการปฏิบัติว่าจะให้เขาทำอะไรบอกมาเถอะเนี่ยนะไปที่ไหนก็คนก็จะถามแบบนี้ซะส่วนใหญ่ ตกลงจะให้เขาทำยังไงเขาอยากจะปฏิบัติเต็มที่แล้วนะเ น, นี่นะไอการปฏิบัติเนี่ยนะเขาบอกว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้ถามว่าตรัสรู้อะไรแบบตรัสรู้อริยสัจเอาบอกว่าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยไอที่ปฏิบัตินี่อยากทำไงอยากจะยืนใช่ไหมถ้าคุณยืนแล้วคุณจะเห็นอริยสัจได้ไหมเอาอยากจะเดินเอาคุณไปเดินแล้วคุณเดินยังไงให้เห็นอริยสัจอ่ะเพราะมีคนที่แทบจะเดินรอบโลกมาแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นอริยสัจอะไร คุณจะนั่งคุณจะนั่งให้ก้นมันออกรากมันก็ไม่เห็นอริยสัจหรอกจะนั่งหลับตาก็คนตาบอดเคยเห็นอริยสัจไม่ละเอาเนี่ยนะเอาตกลงว่ามันอริยสัจมันเห็นยังไงใช้อะไรเห็นบอกว่าใช้ปัญญาเห็นใช้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้แล้วคุณจะไปทํำยังไงให้ปัญญามันเกิดนั่งท่องท่องท่องอะไรพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพื่อจะฉลาดขึ้นได้บ้างก็เหมือนกับคนนั่งเรียกชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะฉลาดขึ้นเอง คือมันก็เป็นคําที่เพราะที่สุดอะนะในบรรดาคําในโลกเนี่ยพุโทโธพุโทโธเป็นคําที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นคําที่สูงสุดเลยแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าเราเรียกชื่อพระพุทธเจ้ามากๆแล้วเราจะฉลาดเท่ากับรู้ตามพระองค์เลยใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเราไปมหาลัยว่าอาจารย์คนนี้สอนเก่งมากเลยเนี่ยเรไปนั่งเรียกชื่ออาจารย์ทั้งวันเลยเนี่ยนะถามว่าเราจะจบได้ไหมมหาลัยอย่างนั้นมันก็ท่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยนะ นี่ก็เหมือนการถ้าจะเห็นอริยศาสตร์มันจะเห็นยังไงอันนี้ที่ต่อเราต้องปรับทัศนคติให้ดีๆเพราะทัศนคติที่ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมทําความเห็นให้ตรงที่ทิฏฐุ ก, กรรมนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ผิดพลาดแล้วเราทํำยังไงความเข้าใจจึงจะไม่ผิดพลาดเนี่ยนะว่าไม่พลาดเข้าใจถูกต้องเป็นไปตามคําสอนมันต้องพยายามทําความเข้าใจว่าการตรัสรู้คืออะไรเนี่ยนะ ไม่ได้อะไรก็จําไว้สี่คำว่ายังนี้นะทุกตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้สมุทัยตรัสรู้ด้วยการละนิโรธตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัตินั้นตรัสรู้ด้วยการเจริญเนี่ยนะเจริญมรรคเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรู้ทุก์ละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งแล้วอะไรทํานิโรธให้แจ้งอริยมรรคเป็นสธรรมที่ทํานิโรธให้แจ้งอ่ะนะแล้วอะไรไปละสมุทัยก็บอกอริยมรรค อะไรเป็นตัวกําหนดรอบรู้กองทุกก็อบอกมัจสรุปว่าสาระสําคัญก็คือการเจริญมัจมัจข้อแรกขึ้นต้นด้วยสำ ม, มาติทิเอะความเข้าใจที่ถูกต้องทํำยังไงจรึงจะเข้าใจถูกต้องเดินอย่างเดียวจะเข้าใจถูกต้องไหมยืนอย่างเดียวจะเข้าใจถูกต้องไหมฟังอย่างเดียวจะเข้าใจถูกต้องไหมสรุปว่าทำยังไงจรึงจะเข้าใจอริยสัจอยา่างถูกต้องในชีวิตจริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงไม่เกี่ยงวิธีการที่จะให้รู้ อริยสัจเห็ไหมว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยกี่สูตร